เจริญธรรมท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาไฝ่บุญไฝ่กุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่เก้ามิถุนายนพุทธศักราชสองห้าสห้าเดือนมิถุนายนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนที่หกของปีก็แสดงว่าเวลา ได้ผ่านมาเกือบครึ่งปีแล้วดังนั้นจึงเป็นเวลาที่ดีที่พวกเราจะได้มานั่งทบทวนดูเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาประเมินผลที่เกิดขึ้นกับเราตั้งแต่ต้นปีมาจนกระทั่งถึงวันนี้ว่าเป็นไปอย่างไรบ้างว่า การประพฤติการปฏิบัติการดําเนินชีวิตของเรานั้นได้เป็นไปตามความตั้งใจที่เราได้ตั้งไว้ในตอนต้นปีได้มากน้อยได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรแล้วถ้าไม่เป็นไปที่เราได้ตั้งใจไว้เราจะได้มาปรับสถานการณ์ปรับพฤติกรรมปรับการปฏิบัติการดําเนินชีวิตของเราให้เป็นไปในทิศทาง ที่ควรจะเป็นไปเพราะเราทราบกันดีว่าผลที่เราปรารถนากันคือความสุขความเจริญการปราศจากความทุกข์ภัยอันตรายการเสื่อมเสียด้วยการหายณนะความหายณะทั้งหลายนั้นขึ้นอยู่กับการกระทาของเราทางกายทางวาจาและทางใจดังนั้นเราเป็นผู้กำหนดชะตากรรมของเรา ไม่มีพรหมที่จะมลิคิดชะตากรรมของเราได้แต่ชะตากรรมของเรานั้นเกิดจากกรรมมริคิดกรรมก็คือการกระทำของเราการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจจะเป็นผู้ที่จะเป็นเหตุที่จะสร้างผลที่จะตามมาต่อไปไม่ว่าจะเป็นผลที่ดีคือความสุขและความเจริญหรือผลที่ไม่ดีคือความทุกข์ความหายนะ ก็ล้วนเกิดจากการกระทาของเราด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าผลนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ตามมาจากเหตุเราก็ต้องสร้างเหตุที่ดีระงับเหตุที่ไม่ดีเพราะว่าเราไม่ต้องการผลของผลของการกระทาความไม่ดีเราต้องการผลที่เกิดจากการกระทาความดีเพราะผลที่เกิดจากการกระทาความดีก็คือความ สุขความเจริญนั่นเองและผลที่เกิดจากการกระทาความชั่วก็คือความทุกข์ความเสื่อมเสียความหายนะทั้งหลายดังนั้นเราต้องมาถามตัวเราเองว่าตั้งแต่ต้นปีมาจากเกตนาลมที่เราได้ตั้งไว้หรือเปล่าเช่นในตอนต้นปีเราอาจจะคิดว่าต่อไปนี้เราจะทำบุญอย่างสม่าเสมอเช่นมาวัดทุกวันพระจะสบัด ท, ทุกวันทุกเช้า จะรักษาศีลอย่างน้อยก็ต้องให้ได้สักข้อหนึ่งสองข้อหรือสมข้อสุดแท้แต่กำลังความสามารถของเราที่เราจะสามารถจะทำได้และจะพยายามจะทำให้มากยิ่งยิ่งขึ้นไปตอนนี้เวลาหเดือนก็ผ่านไปแล้วเราได้กระทำตามที่เราต้องการจะทำหรือไม่หรือเราก็ยังปล่อยให้ชีวิตของเรานั้น เป็นไปตามแบบเดิมอยู่เคยทําอะไรเคยคิดอะไรเคยพูดอะไรก็ยังทําอย่างนั้นอยู่ถ้าเรายังปล่อยให้การกระทําการประพฤติเรานั้นวนเวียนตามรูปแบบเดิมอยู่ผลที่จะตามมามันก็ต้องเป็นผลแบบเดิมนั่นเองเพราะผลนั้นเป็นสิ่งที่ตามมาจากเหตุคือการกระทําของเราแต่ถ้าเราต้องการให้ผลนั่นดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ เราก็ต้องเราก็ต้องแหวกแนวของการประพฤติปฏิบัติที่เราเคยกระทำอยู่แบบเดิมๆสิ่งไหนที่เราเห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่ดีเป็นการรั้งหน่วงความเจริญเราก็ต้องลดต้องละสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมความสุขความเจริญเราก็ต้องพยายามทําให้มากยิ่งยิ่งขึ้นสิ่งที่รั้งความเจริญของเรานั้นก็เช่นพวกอบายมุกทั้งหลาย เช่นการเสพสุรายาเมาการเล่นการพนันการเที่ยวเตรความเกลียดคร้านสิ่งเหล่านี้นั้นล้วนเป็นแต่เครื่องถ่วงความเจริญเป็นเป็นเครื่องที่นำไปสู่ความเสือ่อมถ้าเราพัวพันยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขแล้วเราก็จะถูกให้ฉุดเข้าไปสู่การประพฤติ ท, ที่เสื่อมเสียต่อไปคยจะต้องไปมีการพูดปลดมดเท็ด มีการประพฤติผิดประเวณีมีการลักทรัพย์และมีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพราะนี่มันเป็นเหตุและผลที่จะตามมาของ <c oughs> ของสิ่งเหล่านี้เมื่อเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้นั้นเมื่อได้ทำไปแล้วย่อมฉุดลากเราลงไปสู่ที่ต่ำลงไปสู่ที่เราไม่ปรารถนากันคือความทุกข์ความวุ่นวายใจเราก็ต้องพยายามฝืน ไม่กระทําสิ่งเหล่านี้พยายามเฝินการเสพสุรายามเมาถ้าเคยเสพมากก็ลดลงมาให้น้อยลงไปก่อนถ้ายังไม่สามารถที่จะตัดได้โดยเด็ดขาดก็พยายามลดลงมาเรื่อยๆลดมาทีละครึ่งเคยกินวันละสองขวดก็ลดลงเหลือขวดหนึ่งถ้าเคยกินวันละขวดก็ลดเหลือสักครึ่งขวดแล้วก็ค่อยลดๆลงไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะหมดเองสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่สุดวิสัยที่เราจะ ทำกันได้เป็นสิ่งที่อยู่ในวิสัยของเราถ้าไม่อยู่ในวิสัยของเราแล้วพระพุทธเจ้าจะไม่เอามาสั่งสอนอย่างพระพุทธเจ้าจะไม่ไปสั่งสอนพวกเดรลฉานเพราะท่านรู้ว่ามันไม่ได้อยู่ในวิสัยของเดลฉานที่จะกระทําได้ท่านแต่มนุษย์นี้ท่านเห็นว่าเป็นผู้ที่มีวิสัยมีสติปัญญาที่สามารถแยกแยะอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรเชื่อ อะไรคือเหตุอะไรคือผลได้จึงนำมาสั่งสอนพวกเรากันอยู่ที่ว่าพวกเรานั้นพร้อมที่จะนำไปปฏิบัติหรือเปล่าหรือว่าเรายังเสียดายชีวิตแบบเดิเดมๆอยู่ยังเสียดายการเสพสุรายาเมายังเสียดายการเล่นการพนันเสียดายการเที่ยวเตรเสียดายความเกลียดคร้านอยู่ ถาเรายังเสียดายสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วเราจะไปหวังเอาความสุขความเจริญมาได้อย่างไรเพราะสิ่งเหล่านี้นะมันเป็นเหตุของการของความเสือ่อมของความเสียหายต่างหากเปรียบเหมือนกับเราจะไปหวังความเย็นจากไฟได้หรือไม่ไฟนี้ย่อมร้อนเสมอเวลาเราจุดทู่จุดเทียนถ้าลรานิ้วของเราพลาดไปถูกเปลวไฟเข้ามันก็จะไหม้นิ้วเราก็จะสร้างความเจ็บปวดให้กับเรา เพราะนั่นคือธรรมชาติของไฟไฟมันต้องร้อนมันต้องเผาผลาญเป็นปกติฉันใดบาปกรรมอบายามุกก็เป็นเป็นของร้อนหรือเป็นเป็นสิ่งที่จะสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้กับเราและในเมื่อเราไม่ต้องการความทุกข์ความเดือดร้อนแล้วเราทำไมถึงยังเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้อยู่เราทำไมไม่ถอยออกให้หา่างเหมือนกับเวลาเราเห็นไฟไหม เราจะไม่วิ่งเข้าไปในกองเพลิงเพราะเรารู้ว่าถ้าเราวิ่งเข้าไปในกองเพลิงไฟก็จะต้องเผาเราให้ไหมเป็นจุนไปเราก็ต้องถอยออกมาดันใดบาปกรรมอบายามุกทั้งหลายก็เช่นกันเป็นเหตุที่นำมาซึ่งความเสื่อมเป็นเหตุที่นำมาซึ่งความทุกข์ความหายนะเป็นสิ่งที่เราไม่ปรารถนากันเราก็ต้องถอยออกให้หา่างพยายาม หลีกเลี่ยงจากสิ่งเหล่านี้อย่าเข้าใกล้กับคนที่เขาชอบเสพหรือชอบทําสิ่งเหล่านี้เวลาเราเลือกคบคนนั้นท่านก็บอกให้รู้จักคบคนอย่าไปคบคนโง่อย่าไปคบคนพาล ค, ค, คนชั่วให้คบคนดีคบคนคนฉลาดอย่างคนที่เขาเสพสุรายามเมาเล่นการพนานเที่ยวเตะหรือมีความเกลียดครา บุคคลเหล่านี้นั้นล้วนเป็นถือว่าเป็นบุคคลที่ไม่น่าคบหาสมาคมด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปลังเกียจเดียวฉันเขาเราต้องเข้าใจเขาและสงสารเขาว่าเขายังเป็นผู้ที่มืดบอดอยู่เขายังเป็นผู้ที่มีความรุ่มลหลงอยู่แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องระมัดระวังว่าเราจะต้องไม่ให้เขาฉุดลากเราไปในทิศทางที่เราไม่ต้องการจะไป ดังเมื่อเป็นเช่นนั้นถ้าเราจะคบกับเขาก็ต้องคบแบบพอสมควรให้มีให้มีประมาณไว้คือรักคบกับคนทุกคนคบได้เราไม่ระเกียดเดียดฉันขายทั้งสิ้นแต่เมื่อถึงเวลาที่จะต้องสมาคมกันทํากิจกรรมกันอันนี้เราต้องใช้ใช้ปัญญาใช้การแยกแยะแล้วถ้าเขาชวนเราไปกินเหล้าเมา ย, ยาไปเที่ยวเตะเราก็ต้องปฏิเสธเขาไปเราไม่ต้องไป กลัวว่าเขาจะโกรธเราเลิกเกลียดเราหรือเขาจะเลิกคบกับเราถ้าเป็นสิ่งที่เขาต้องการอย่างนั้นเราก็ไม่เสียหายอะไรเพราะว่าความจริงแล้วเราก็ไม่อยากจะคบกับเขาอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเราครบกับคนแบบนี้เราก็จะมีแต่การขาดทุนอย่างเดียวเขาจะชวนเราไปกระทำแต่สิ่งที่ไม่ดีไม่งามตลอดเวลาแล้วถ้าเราไปทำกับเขาแล้วเราก็จะต้องรับข้อกรรมไปกับเขาด้วยแต่ถ้าเรามีความ แ น, แน่วแน่มั่นคงอยู่กับความดีเราก็ต้องเลือกเอาความดีแทนที่เราจะเลือกเอาคบกับเพื่อนที่ไม่ดีเพื่อนไม่ดีนั้นมีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเราและเขาก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรเราได้เขามีแต่จะฉุดลากเราไปสู่กองเพลิงกองทุกข์ทั้งนั้นแต่ความดีนี่แหละจะเป็นสิ่งที่จะรักษาเราดูแลเรา ให้อยู่ได้ด้วยความสุขด้วยความเจริญดังนั้นเราต้องยึดความดีไว้แล้วต้องยอมเสียสละต้องยอมตัดสิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปจากชีวิตของเราถ้าเรามีความแน่วแน่มั่นคงแล้วชีวิตของเราจะเริ่มดำเนินไปในทิศ ท, ทางที่ดีเราจะดำเนินชีวิตของเราตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมา ที่พระอริยสงสารกได้ปฏิกะได้ปฏิบัติกันมานี่คือทางที่เราควรจะไปกันเพราะเป็นทางที่ประเสริฐเป็นทางที่นำมาซึ่งความสุขและความเจริญการความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนี่เป็นทางที่เราควรที่จะเดินดำเนินไปดังนั้นเราจึงต้องต้องเข้าหาพระศ า, าสนาศึกษาถึงประวัติของพระพุทธเจ้า ศึกษาถึงประวัติของพระอริยสองสาวกทั้งหลายว่าท่านดำเนินชีวิตอย่างไรชีวิตของท่านนั้นก็ดำเนินไปตามแนวทางที่ถูกต้องที่ควรนั้นก็คือท่านทำแต่ความดีเสมอความชั่วทั้งหลายท่านก็ตัดท่านไม่กระทําและต้นเหตุของการกระทําความชั่วต้นเหตุของความทุกข์ก็คือดิเลตตันหาที่มีอยู่ในใจของเราท่านก็ตัด ท่านไม่ส่งเสริมให้มันเกิดขึ้นเวลาเกิดความโลภท่านก็ไม่โลภตามเวลาเกิดความโกรธท่านก็ไม่โกรธตามเวลาโกรธเกิดความหลงขึ้นมาก็ไม่หลงตามเวลาเกิดความอยากมีอยากเป็นก็ไม่อยากมีอยากเป็นตามแต่จะพยายามต่อสู้ขัดขืนอยู่เสมอเพราะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้นั้นถ้าลองได้ถูกเขาชักนาไปแล้วเขาจะนาพาเราไปสู่ความหายนะในที่สุด เพราะความโลภ ก, ก็ดีความอยากก็ดีนั้นมันไม่มีขอบไม่มีเขตมหาสมุทรนั้นจะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็ยังมีฝั่งมีขอบมีเขตอยู่แต่ความโลภความอยากคือตัณหาทั้งหลายนั้นหาขอบหาเขตไม่ได้อยากเท่าไหร่ได้มาเท่าไหร่ก็ไม่เคยมีคำรู้คำว่าพอจะเกิดขึ้นเหมือนกับญาติโยมนั่งเรือไปในในมหาสมุทรเพื่อที่จะไปสู่ฝั่ง แต่นั่งเรือไปเท่าไหร่ขับไปเท่าไหร่ก็จะไม่เคยเจอฝั่งเลยเพราะว่าฝั่งของตัญหานั้นมันไม่มีฉันใดถ้าเรายังปล่อยใจของเราให้ไหลไปตามกระแสของความโลภความโกรธความหลงของความอยากทั้งหลายเราก็จะโลภเราก็จะโกรธเราก็จะหลงเราก็จะอยากไปอยู่เรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเพราะว่าความพอนั้นไม่มีกับสิ่งเหล่านี้ต่ทาง ความพอนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องเกิดจากการฝืนความโลภความโกรธความหลงฝืนความอยากต่างหาความอยากนี้ไม่มีความจําเป็นกับการดําลงชีวิตที่ที่สุขที่สบายที่เป็นปกติแต่เนื่องจากความหลงที่มีอยู่ในใจของเราเป็นตัวเป็นเหตุที่สร้างความรู้สึกว่าถ้าเราได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาถ้าเราได้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้ว เราจะมีความสุขถ้าเราไม่ได้แล้ว เ, เราจะรู้สึกว่าเรามีความเว้นว่างว่าเราขาดอะไรไปถ้าเราได้สิ่งต่างๆที่ใจเราอยากแล้วเราจะเกิดความสุขเราจะเกิดความอิ่มขึ้นมานี่คือความเข้าใจผิดเพราะเราก็ทราบกันดีอยู่ว่าตั้งแต่ที่เราเกิดมาจนกระทั่งถึงวันนี้เราก็โลภเราก็โกรธเราก็หลงเราก็อยากกับอะไรมามากมายก่ายกอง และก็ได้อะไรมามากมายกายกองแต่ความรู้สึกในใจของเรายังเป็นอย่างไรอยู่มันก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่มันก็ยังอยากยังโลภยังโกรยังหลงอยู่นั่นแหละนะเพราะว่าความโลภความโกรธความหลงความอยากนั้นมันจะไม่หายไปด้วยการตอบสนองการทําตามสิ่งเหล่านี้ แต่มันจะหมดมันจะหายไปได้ก็ต่อเมื่อเราฝืนมันต่อสู้กับมันเวลาโลภ ก, ก็อย่าไปโลภตามเวลาโกรธก็อย่าไปโกรธตามเวลาหลงก็อย่าไปหลงตามเวลาอยากก็อย่าไปอยากตามให้ใช้เหตุใช้ผลคนเรามีความจำเป็นที่จะต้องมีของบ้างเป็นธรรมดาเพราะชีวิตของนั้นต้องดำเนินไปต้องมีเช่นปจัจจัยสีดังนั้นถ้าเรามีความต้องการอะไร ขอให้เราใช้เหตุผลอย่าใช้อารมณ์คือเราต้องถามว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นมีความจำเป็นหรือไม่ถ้าเราไม่ได้สิ่งนั้นมาแล้วชีวิตของเราจะดำเนินไปได้หรือเปล่าเราจะตายหรือไม่ถ้าเราจะต้องตายถ้าเราขาดสิ่งนั้นเราก็ต้องไปเอาสิ่งนั้นมาเพราะสิ่งนั้นมีความจาเป็นเช่นอาหาร ถ้าเราไม่ได้รับประานาา ร, รับประทานอาหารเขาไปหลายๆวันชีวิตของเราก็ต้องหมดสิ้นไปจะต้องตายไปแน่นอนหรืออากาศที่เราใช้หายใจอยู่ถ้าเราไม่มีลมหายใจเราก็ต้องตายอย่างนี้เราต้องมีแน่นอนถ้าไม่มีไม่ได้แต่สิ่งอย่างอื่นเราราบยศอย่างนี้เรามีความจําเป็นจะต้องมีงหรือจะต้องมีตําแหน่งสูงๆจะต้องเป็นนายพลนายพันจะต้องเป็นนายกเป็นเป็น ประธานาธิบดีหรือเปล่าไม่จําเป็นหรอกถึงแม้เราไม่เป็นเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นเราก็ยังสามารถมีความสุขและจะมีความสุขได้มากกว่าการที่จะมีตําแหน่งสูงสูงเสอีกเพราะศาสนาธรรมความจริงนั้นได้แสดงไว้แล้วโดยพระพุทธเจ้าวา่าความสุขที่แท้จริงนั้นมันอยู่ที่ใจที่เกิดจากความพอต่างหามเกิดใจที่ได้ชนะความโลภความโกรธความหลงเกิดจากใจที่ได้ชนะกิเลสเกิจา ความตันหาความอยากทั้งหลายนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงใจของเราเวลาไม่อยากไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแล้วใจเราสบายอย่างในขณะนี้เรานั่งอยู่ที่นี่เราจะมีความรู้สึกสบายใจเพราะขณะนี้ความโลภความโกรธความหลงมันไม่แสดงตัวขึ้นมาความอยากมันไม่จะแสดงตัวขึ้นมาเราจึงอยู่เป็นสุขกันนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงคือการอยู่ ได้ด้วยด้วยความเป็นสุขด้วยความปาศัสจิ์ความอยากทั้งหลายนั่นเองดังนั้นขอให้เราจึงทำความเข้าใจไว้ว่าความสุขนั้นมันมีอยู่พร้อมอยู่ในตัวของเราแล้วเป็นความสุขที่ประเสริฐเป็นความสุขที่วิเศษเพียงแต่ว่าในขณะนี้ความสุขนี้ถูกกิเลสตัณหามามากีดกั้นขวางไว้ มาเป็นมาสร้างปัญหาให้เกิดความรู้สึกว่าใจของเรานี้ไม่มีความสุขเลยใจของเรานี้ต้องหาสิ่งต่างๆมาบำรุงบำเลิเช่นออกไปเที่ยวไปดูหนังดูละครไปหาเพื่อนหาแฟนไปหาคู่มาครองไปหาสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆมาไว้เยอะๆแล้วเราจะมีความสุขแล้วแทนที่จะเกิดความสุขก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา เพราะเมื่อเรามีอะไรแล้วเราก็ต้องมีความรักมีความห่วงใยมีความกังวลว่าสิ่งที่เรารักที่เราชอบนั้นจะอยู่กับเราไปเสมอหรือไม่จะตายจากเราไปเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้เลยกลายเลยแทนที่จะเป็นความสุขกับสิ่งนั้นๆสิ่งนั้นนั้นก็เลยกลายเป็นภาระทางด้านจิตใจขึ้นมาทำให้เราเกิดความรู้สึกไม่แน่นอนใจทีแล้วว่าสิ่งที่รักนั้น สิ่งที่เราลักนั้นเขาจะซื่อสัตย์กับเราไปตลอดหรือเปล่าเขารักเราวันนี้พรุ่งนี้เขาจะลักเราอีกหรือเปล่านี่ก็เป็นปัญหาขึ้นมาแล้วเป็นความทุกข์ขึ้นมาแล้วเพราะว่าเราไปวิ่งไปหาปัญหาเองถ้าเราเอาชนะความโลภความอยากได้เราก็ไม่ต้องมีอะไรเราอยู่เฉยๆคนเดียวเราก็มีความสุขได้และเป็นความสุขที่เลิศที่สุดด้วยเพราะไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปกังวลกับสิ่งต่างๆ ความสุขมันมีอยู่ในใจของเราแล้วก็คือความสงบของใจและใจของเราจะสงบได้ก็ต่อเมื่อเราชำระความโลภความโกรธ ค, ความหลงความอยากทั้งหลายให้ออกไปจากใจของเราดังนั้นก็ขอให้พวกเราจงมองที่ใจของเราเป็นสำคัญพยายามชำระใจของเราเถิดนี่แหละเป็นงานที่พวกเราทุกคนจะต้องทำกันไม่มีใครจะทำให้เราได้เพราะว่าใจของเรานั้น เป็นสิ่งที่เรามันอยู่กับเราเองคนอื่นเข้ามาชําระให้เราไม่ได้เราต้องชําระเองเวลาคนอื่นเข้ามาชําระให้เราเราเรากลับไปโกรธเขาซสอีกเวลาใครเ็าบอกเราสอนเราว่านิสัยเราไม่ดีนะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แทนที่เราจะยกมือไหว้เขาขอบอกขอบใจเขาแล้วกลับไปโกรธเขาอีกเพราะนี่คือลักษณะของกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจมันจะไม่ยอมให้ใครมาชําระสะสารได้ง่าย แต่จะมีคนเดียวเท่านั้นที่จะชำระสระสางได้ก็คือตัวเราเองเราสามารถชำระได้ถ้าเรามีความพยายามถ้าเรามีความเชื่อมีความศรัทธาในสิ่งที่พระเจ้าทรงสั่งสอนว่าการชำระใจของเรานั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งและจะเป็นสิ่งที่ให้ผลที่ดีกับเราอย่างยิ่งด้วยถ้าเรามีความเชื่อมั่นในนี้แล้วเราก็จะมีกาลังที่จะปฏิบัติตัทงที่ เมื่อกี้ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นว่าเวลาต้นปีทีหนึ่งเราก็มักจะคิดสิ่งที่ดีว่าเราอยากจะให้ชีวิตของเรานั้นดีปีใหม่นั้นเมื่อมีปีใหม่แล้วก็อยากจะให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ใหม่ที่มันจะเป็นชีวิตที่ใหม่ที่ดีได้ก็ต่อเมื่อเราเริ่มลงมือกระทาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราด้วยการซับฟอกจิตใจของเราชำระสิ่งที่เป็นสโปรกสิ่งที่เป็นมลทิน เป็นเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายออกไปให้หมดไปจากใจของเราถ้าเราทำได้มากน้อยแค่ไหนความรู้สึกสบายอกสบายใจความเบาใจความสุขใจที่มีอยู่ในตัว mm hmm. ก็จะปรากฏขึ้นมาเปรียบเหมือนกับแสงสว่างที่ของดวงอาทิตย์ที่ถูกเมฆหมอกไปหุ้มห่อไว้ทำให้แสงสว่างนั้นไม่สามารถเล่นลอดออกมาได้แต่ถ้ามีลมมาพัด เอาเมฆหมอกเหล่านั้นให้ออกไปจากดวงอาทิตย์แสงอาทิตย์ก็จะโผล่ออกมาฉันใดความสุขอันเลิศอันประเสริฐที่มีอยู่ในใจของเรานั้นก็จะมีโอกาสโผล่ขึ้นมาสแสดงผลให้เราเห็นถ้าเรา